กิลานวัตหมวดว่าด้วยภิกษุผู้อาพาธเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเยี่ยมภิกษุใหม่รูปหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักทรงถามถึงอาการก็ได้รับคำตอบว่าทุกเขเวทนานั้นกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลย ตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่รําคาญทุรนทุรายบ้างหรือทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผููเจริญความจริงข้าพระองค์รําคาญทุรนทุรายมากพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเธอติดเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ทูลตอบว่าไม่ถ้าเธอติดเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้น เธอจะรำคาญทุรนทุรายไปทำไมทูลตอบว่าข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อความหมดจดแห่งสีเลยพระพุทธเจ้าค่ะตรัสถามว่าถ้าเช่นนั้นเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วพระพุทธเพื่ออะไรทูลตอบว่าเพื่อคลายความกำหนัดพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีประภาตรัสว่าดีแล้วภิกษุที่เธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดเพราะว่าธรรมะที่เราแสดงแล้วล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อคลายความกำหนัดเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจากขูกคือตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงโสตคานาะจิวหา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 ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าภิกษุอริยาสาวกผู้ดได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขูเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตครั้งนั้นธรรมจักสุกอันปราศจากทุลีปราศจากมนลทินได้เกิดแก่ภิกษุนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาสำหรับคำว่าธรรมจักสุกหมายถึงการเห็นอริยสัจสี่ และการบรรลุมักษาเบื้องต้นโดยทั่วไปหมายถึงการบรรลุโซดาปฏิมักสำหรับรัธิูต่อมาเนื้อหาเหมือนกันทุกอย่างนะครับเรื่องเกิดขึ้นกับภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ป่วยหนักพระผู้มิพระพาเสด็จเยี่ยมถามตอบปัญหาข้อความเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ภิกษุรูปนี้ตอบคาถามที่ว่า เธอยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงเพื่อความหมดจดแห่งศีลแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วประพฤติเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อความดับสนิทโดยไม่ยึดมั่นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดีแล้วภิกษุที่เธอรู้ทั่วถึงธรรมเพราะว่าธรรมะที่เราแสดงแล้ว ล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อความดับสนิทโดยไม่ยึดมัน่นจากนั้นทรงถามถึงอายตนะทั้งหกว่าเที่ยงหรือไม่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่ควรที่จะยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นอัตตาของเราเมื่ออริยส า, าวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม่นาจักขู่เป็นต้นนั้น เมื่อเบื่อห n า ย, ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นครั้งนั้นภิกษุรูปนั้นมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิจิตของภิกษุนั้นก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นว่าด้วยทรงแสดงอ น, นิจจธรรมแก่พระราธาัครั้งนั้น ท่านพระราธะกราบทูลขอให้ทรงแสดงธรรมะโดยย่อซึ่งมาฟังแล้วจะได้หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าราธะสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นก็ อ, อะไรเล่าชื่อว่าไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้น คือจักขูไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในจักขู่นั้นรูปไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นจักขูวิญญาณจักขูสัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในเวทนานั้น และโดยนัยะเดียวกันโสตะคือหูคานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายและมโนโคือใจล้วนไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งทั้งปวงนั้นราธะสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นราธะสิ่งใดเป็นทุกข์ เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นก็ไรเล่าชื่อว่าเป็นทุกข์คือจักขู่เป็นต้นนั้นเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์จักขูวิญญาณจักขู่สัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้น ราทะสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าอนัตตาคือจักขุเป็นต้นนั้นเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในจักขุนั้นรูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในสิ่งทั้งปวงนั้นและโดยนัยเดียวกันหูและเสียงจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายกับโพทพะมโนและธรรมารมณ์วิญญาณสัมผัสและเวทนาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสและวิญญาณที่เกิดขึ้นจากสัมผัส ของอายตนะตาละประการนั้นสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นว่าด้วยการละอวิชาภิกษุรูปหนึ่งเข้าเป้ากราบทูลถามดังนี้ว่าภิกษุละอวิชาได้วิชาจึงเกิดขึ้น เพราะละธรรมะอย่างหนึ่งใดธรรมะอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่หรือไม่ทรงตอบว่าภิกษุละอวิชชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเพราะละธรรมะอย่างหนึ่งใดธรรมะอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่ธรรมะอย่างหนึ่งใดธรรมะอย่างหนึ่งนั้นคืออวิชชาทูลถามว่า เมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละอวิชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นทรงตอบว่าภิกษุเมื่อรู้เห็นจักขู่โดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นรูปจักขู่วิญญาณจักขูสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้เวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้น เพราะจะขูดสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นและโดยในยะเดียวกันโสตะขานะชิวหากายละมโนเมื่อรู้เห็นอายตนะทั้งหมดนั้นโดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นอีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับวว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นครั้นเธอได้สดับแล้วก็รู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วก็กำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วก็เห็นนิมิตทั้งปวงโดยอาการอื่นเห็นจกักขุโดยอาการอื่นเห็นรูป จะขู่วิญญาณจะขู่สัมผัสเห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยโดยอาการอื่นและเห็นอายตนะทั้งหมดทุกประการคือโสตหูและสัทธะคือเสียงจนถึงมโนคือใจเป็นต้นนั้นโดยอาการอื่นเช่นเดียวกันภิกษุเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล จึงละอวิชาได้วิชาจึงเกิดขึ้นว่าด้วยภิกษุหลายรูปภิกษุหลายรูปข้าวเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอัญญะเดียรตีปริภาชคในโลกนี้ถามข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านประพฤติปรมาจารย์ในพระสมณโคโดมเพื่อต้องการอะไรข้าพระองค์ตอบว่าเพื่อกำหนดรู้ทุกข์เมื่อพวกข้าพระองค์ตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้หรือไม่ทรงตอบว่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอถูกถามอย่างนี้จึงตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่เราพูดไว ภิกษุทั้งหลายเพราะเธอทั้งหลายประพฤติปรมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ถ้าพวกอัญญาดิรัติปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายว่าก็ทุกข์ที่พวกท่านประพฤติปรมจรรย์ในพระสมณะโคโดมเพื่อกำหนดรู้นั้นเป็นอย่างไรพึงตอบดังนี้ว่าจะขูดเป็นทุกข์พวกเราประพฤติปรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพื่อกําหนดรู้จักขู่ที่เป็นทุกนั้นรูปเป็นทุกขจักขู่วิญญาณจักขูส่สัมผัสแม้เวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกขที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์พวกเราประพฤติปรมาจารย์ในพระผู้มิพระภาคเพื่อกําหนดรู้ทุกนั้นและโดยนัยเดียวกันอายตนะทั้งหมดทุกประการ คือโสตะหรือหูและสัท ธ, ธะหรือเสียงเป็นต้นนั้นจนถึงมโนคือใจวิญญาและผัสสะ ข, ของแต่ละอายตนะนั้นแม้เวทนาที่เกิดจากผัสสะ ข, ของอายตนะแต่ละประการนั้นเป็นปัจจัยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นทุกข์พวกเราประพฤติพรมจรด์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อกําหนดรู้ทุกข์นั้น ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญาเดียรถีบริภาชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าด้วยปัญหาเรื่องโลกภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าอุลถามดังนี้ว่าที่พระองค์ตรัสว่าโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงตรัสว่าโลกทรงตอบว่าที่เราเรียกว่าโลก เราะจะต้องแตกสลายก็อะไรเล่าแตกสลายคือจากขุแตกสลา ย, ลายรูปแตกสลายจากขู่วิญญาณแตกสลายจากขูสัมผัสแตกสลายแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายและโดยในยะเดียวกัน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 ว่าด้วยพระพักตุณะทูลถามปัญหาท่านพระพักตร์ุณะเข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมะเครื่องเนื่นช้าผู้ตัดทางคือตันหาได้แล้วผู้ครอบงําวัตตะได้แล้วผู้ล่วงผลทุกข์ทั้งปวงได้แล้วเปริญนิพพานแล้วพึงบัญญัติด้วยจักขุใด สักขูนนั้นมีอยู่หรือไม่และโดยในยะเดียวกันพึงบัญญัติด้วยโสตะใดด้วยขานะใดด้วยชิวหาใดด้วยกายและด้วยมโนใดทรงตอบว่าภาคุณะบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมะเครื่องเนื่อนช้า ผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงมวัดตะได้แล้วผู้ล่วงพ้นทุกทั้งปวงได้แล้วปรินิพานแล้วพึงบัญญัติด้วยจักขุู่ใดจักขุูนั้นไม่มีเลยและโดยในยะเดียวกันพึงบัญญัติด้วยโสตะใดโสตะนั้นไม่มีเลยพึงบัญญัติด้วยคานะใดคานะนั้นไม่มีเลยพึงบัญญัติด้วยชิวหาใด ชิวหานั้นไม่มีเลยพึงบัญญัติด้วยกายใดกายนั้นไม่มีเลยและพึงบัญญัติด้วยมโนใดมโนนั้นไม่มีเลย